โัจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษให้แก่นักเรียนสมาชิกามัธยมที่6ที่จบการศึกษาในชุดเธอคือความหวังของสังคมโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่15มีนาคม2546ที่พุทธสถานปฐมสุขเขาเชิญท่านติตาฟังได้นบัตรนี้ จเจริญธรรมท่านทั้งหลาย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งสำหรับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของผู้ที่มีกิจกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานสำหรับวันนี้นะ คือนักเรียนที่เป็นผู้ที่สําเร็จจบชั้นหนึ่งนะจบม .6 เรียกว่าจบชั้นหนึ่งจบอนุบาลก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งจบปถมก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งจบมัธยมก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งนะเขาจะไปแบ่งขั้นไว้ว่ามีมัธยมต้นมีมัธยมปลายเองน ะ, ะก็แล้วแต่ ไปจบปริญญาตรีขึ้นไปอีกปริญญาโทรปริญญาเอกจกกนกระทั่งไปขั้นอะไรท่านขั้ น, ข, นขั้นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรโพสต์ด็อกเตอร์ไปทําเพิ่มด็อกเตอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกก็แล้วแต่ก็เป็นขีดขั้นทั้งทางทรเราก็มีแน่นอ น, นพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้ทําขั้นทําตอนเอาไว้เป็นลำดับลาดับผู้ที่ เป็นอาริยะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริงจิตวิญญาได้เปลี่ยนแปลงมาจริงเป็นผู้ที่รู้จักอบายรู้จักอบายมุกรู้จักสิ่งที่มันต่ำของสังคมของความเป็นมนุษย์แล้วก็มารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เลิกได้เลิกได้จริงๆไม่ต้องเวียนกลับไปอีกเป็นลักษณะของผู้ที่มีจิตเข้ากระแสเรียกว่าโสดาบัน มีจิต ท, ที่ได้เกิดใหม่มีกําลังของจิตมีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรที่จะไปครุกคลีเกี่ยวข้องอีกอาจจะมีเชื้อกิลเลสเหลืออยู่บ้างไม่ขาดทีเดียวแต่จิตใจก็เที่ยงแท้เรียกว่าเข้ากระแสไม่ตกต่ำจิตนั้นไม่ลงไปเป็นเช่นนั้นอีกเรียกว่าไม่ตกต่ำไปหาสิ่งนั้นอีกนะ ถึงขั้นนิยตะเข้ากระแสกะโสตาปณะไม่ตกต่าไปกว่านั้นไปกว่าที่เป็นได้แล้วเนี่ยเรียกว่าอาวินิปาตธรรมแล้วก็มีนิยตะโสตาปนะอาวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณนะมีแต่จะสูงขึ้นไปสู่ความตรัสรู้เป็นอริยสูงสุดไปได้เรื่อย เทียงตอนนิพพานผู้ที่ผ่านเป็นโสดาบันขึ้นไปได้แล้วจึงจิตใจได้เกิดใหม่จริงจะเที่ยงแท้ตอนนิพพานา จ, จะได้นิพพานไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งอาจจะร้อยชาติอาจจะแสนชาติก็แล้วแต่แต่เขาพูดไว้ในภาษาของธรรมาว่าเจดชาติอย่างมากไม่เกินเจชาตินะก็หมายความว่าเป็นระดับของธรรมะอีกจะต้องเข้าใจคาําความหมายของคําว่าเจดเนี่ย ขั้นตอนอันนี้อธิบายอาตมาเคยอธิบา ย, ออบายแต่มันไม่ง่ายนัไปเป็นเศร้านะเป็นเศร้าของธรรมะเป็นเศร้าของขีดเขตการวัดนะ่มี1นึสแล้วก็ไปี 4, 5, ่าหกนี้เรียกว่าเศราเศร้าจะเป็นเศราเศร้นะ 1, 2, 3, 4, 5 6่สาสุดท้ายเศร้าสุดท้ายเจ็ดปเก้าพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้น7เนี่ยถือว่าปลอดภัยหรือว่าแน่นอน เป็นความหมายของเนื้อหาของคุณธรรมพนะระลักษณะเจเนี่ยเป็นลักษณะขีดหลัก7นี่เป็นหลักที่แน่นอนเป็นหลักที่สูงนะสุดสูงสุดในความเป็นมนุษย์ยอดที่สุดก็คือหลัก9พระพุทธเจ้านี่เป็นปาง9เป็นหลัก9ขั้นที่9สุดยอดของผู้ที่บำเพ็ญเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีโพธินะมีความตรัสรู้สูงสุดสมมาสัมโพธิญาณ เรียกว่าขีดเ้าเพราะฉะนั้นขีดเจ็ดนี่เป็นเลขที่สำคัญผู้ใดที่สามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้เข้ากระแสโสดาบันได้แล้วอีกเจ็ดหลักเนี่ยบรรลุสุดยอดได้แน่นอนอีกเจ็ดถึงว่าเรียกเป็นภาษาง่ายๆเดินเจ็ดเก้าเกิดอีกเจ็ดชาติอะไรพวกนี้พูดกันไปเรื่อย แต่ความหมายแล้วมันซับซ้อนลึกซึ้งทีงไม่ใช่รู้ได้ไง่ายๆอาตมาพูดนี่ก็ยังไม่ละเอียดพออธิบายฟังนี่ก็ยังไม่ละเอียดพอนะยังมีความซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้แต่ก็อธิบายไปพอให้ฟังคร่าวๆนะเพวกเราวันนี้จะมีผู้ที่จบขอบเขตหนึ่งรอบ1นึงเรียกว่าหมหระดับหนึ่งของประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มีขีดเข้มเข้าไป ข่เท่าไรเท่ไรบ้างอัตมาไม่ค่อยได้ติดตามศึกษาเขานักในการศึกษาต่างประเทศนะมีกี่ปีกี่ปีกี่ชั้นกี่อะไรเขาเขาเ ข, เขาก็จัดระดับของไทยนี่ก็เปลี่ยนไปหลายอย่างหลายทีตั้งแต่จบปอแล้วก็จบป6แล้วก็จบปอ8อะไรก็แล้วแต่จนเปลี่ยนมาเป็นจบป7แล้วก็จบมศ .5 อะไรก็เขาก็เคยมีแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกมาจบป6มอห ไม่มีมอ8อะไรเงี้ยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่จะขีดแล้วแต่จะ ก, กําหนดกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่การศึกษาน่ยมันไม่จบหรอกถ้าเรายังไม่จริงๆแล้วจะศึกษาให้จ บ, จบจริงๆต้องเป็นพระพุทธเจา้าจบจริงๆเป็นเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะจบยอดเลยละ่ะไม่มีอะไรให้ศึกษาอีกแล้วในความเป็นมนุษย์สุดยอดแห่งสุดยอดนะ แต่ในขีดเขตของความเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์แลอเป็นคนดีในระดับที่เรียกว่าสุดประเสริฐแล้วคนในความเป็นคนในประเสริฐแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ประเสริฐอีกถ้าจะเกิดมาในโลกไม่มีการขาดทุนมีแต่ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ตนก็ถือว่าจบแล้วด้วยนะก็คืออรหันต์เพรา ะ, ะนั้นผู้ใดได้ขีดอรหันต์แล้วจะเกิดอีกวนเวียนเกิดอีกประโยชน์ตนก็ได้อรหันต์แล้ว จะสุดยอดคือหมายความว่าจะไม่เกิดเป็นคนอีกจะไม่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกก็มีสิทธิ์แล้วแต่ถ้าจะอยู่อีกประโยชน์ตนก็คือจะประดิานได้ส่วนถ้าพระอาหารหันถือว่าไม่มีประโยชน์ตนอีกเพราะอะไรถือว่าพระอาหารหันจบกิจตนหรือประโยชน์ตนแล้วเพราะถ้าเป็นอหรหันแล้วจะบำเพ็ญต่อหรือจะเกิดต่อมามีความสามารถต่อมีความรู้ต่อมีความสามารถมากขึ้นมากขึ้น มีสัพพัญญูเยอะขึ้นมีอภินญาเยอะขึ้นอะไรมากมายก็ตามพระอาหารหันต์ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ของตนมีแต่จะเก่งขึ้นดีขึ้นเพื่อจะเอามารับใช้มนุษย์ชาติเพื่อจะเอามาช่วยมนุษย์ชาติได้ขึ้นท่านจะไม่ได้รับลาบยศสรนเซิญโลกียสุกอะไรให้แก่ท่านมาบำเรอตัวท่านอีกเพราะอาหารหันต์ขึ้นไปแล้วไม่มีบำเรอตัวตัวเองอีก เพราะฉะนั้นท่านจะเจริญขึ้นด้วยรูปธรรมด้วยเรื่องโลกีได้วความสามารถได้วความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่จะมีอภิญญาจะมีริดเดทจะมีความเก่งขนาดไหนเพิ่มขึ้นอีกก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาแกลกราบหรือว่าหาอะไรที่บำเรอตนอีกแล้วนี่แต่จะเป็นประโยชน์ย้อนกลับไปคืนแก่ประชาชน แกผู้อื่นท่านยิ่งเก่งคนอื่นยิ่งได้รับประโยชน์จากท่านมากขึ้นถ้าอาตมากเก่งกว่านี้อาตมาจะทําประโยชน์ให้พวกเรามากขึ้นถ้าอาตมา ก, ก็กินมือเดียวผพาหนุ่งพาห่มไปมาก็เท่าที่อาตมามีแค่นี้พอแล้วนอกนั้นก็มีแต่คนจะมาประเคนให้ให้มาจนเฟอ้อจนเกินบางทีก็จะต้องมาแบกมาหามก็ต้องปรองต้องวางกลายเป็นผู้ที่ต้องทิ้งต้องคว่างอะไรหลายอย่างอยู่นะสรุปแล้วผู้ที่จะ ต่อจากอรหันขึ้นไปเนี่ยจึงไม่มีประโยชน์ตนท่านถึงเรียกว่าผู้ที่จบกิจจบประโยชน์ตนสุดยอดแล้วก็คืออรหรันจากนั้นไปจะบำเพ็ญอะไรอะายต่อไปอีกจะมุนเวียนขึ้นมาเก่งกาจสามารถอะไรอีกก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่จะเป็นไปเพื่อประชาชนเองนะมีแต่เอามาให้ท่านบำรุงท่านไว้ท่านก็มีแต่จะงอกเป็นนาบุญให้แก่ประชาชน ไปรับใช้ประชาชนหรือไปให้ประโยชน์คุณค่าต่อประชาชนต่อผู้อื่นต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเท่าที่มันจะเกิดการพัฒนานะเพราะว่พระอริยะพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ที่เจริญสุดยอดแล้วแล้วก็จะเจริญต่อไปอีกการเจริญของความสุดยอดจากอารหันต์ขึ้นไปแล้วมีแต่ประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นไม่มีประโยชน์ตนนะนี่ฟังฟังดีๆต้องเข้าใจความหมายสิ่งเหล่านี้ดีๆนะ ร่างกายที่เกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยจะเกิดกี่ชาติก็ตามเนี <Yeah. S 1> ่ยเราจะเกิดอีกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเราก็เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนประเสริฐคนประเสริฐที่สุดก็คือคนที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วที่จะต้องไปนั่งสะสมลาบสะสมยศสะสมสรเสริญสะสมโลกรสุบะบเบอ ร, ร์ตนอะไรไม่ต้องหรอกเพราะอานนั้นมันเป็นเรื่องประโลมมันเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงเลยเป็นสมมติ ไม่ใช่ประมาณไม่ใช่เรื่องสิ่งที่จะเกิดจะเป็นจะมีอย่างประเสริฐไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ประเสริฐไม่ใช่อัตทะที่ประเสริฐเป็นสมมุติอยู่เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่สมมุติกันไปตามเรื่องตามราวจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะมากจะน้อยอะไรก็ตามใจก็ไหล่ตามกำหนดตามสมมุติกันไปแล้วเสร็จแล้วก็งมงายแย่งชิง ทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดกรรมกิริยาในโลกเดือดร้อนวุ่นวายถึงขนาดลำบากลาบนแล้วก็โง่ต่อไปในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตวิญญาณมีโศกมีเศร้ามีชอกช้าระกรรมระบมมีสุขมีสนุกสนานเพลิดเพลินอเด็ดอร่อยอะไรโอ้ทับทวีมากมายสิ่งเหล่านี้แหละถ้าไปศึกษาศาสนาพุทธ ไม่ศึกษาสัจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งจะไม่รู้ความจริงพวกนี้อย่างชัดเจนเลยอยาตมาเนี่ยวตมาได้ศึกษาธรรมะของพระุทธเจ้าม า, หล า, ห, ลาหลายชาติหลายหลายหลายชาติศึกษามาจนกระทั่งมาถึงปางนี้แล้วอตมาไม่ได้เรียนณนะปางนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยไม่ได้ไปเริ่มต้นศึกษาธรรมะที่ไหนๆจากที่ไหนๆที่จะไปเป็นการศึกษาจริงๆมีแต่ไปดูลาดเรา เพราะฉะนั้นใครจะมาตู่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์สำนักนั้นเป็นนักศึกษาสำนักนี้ไม่ได้และไม่มีสิทธิ์และก็ไม่มีใครกล้ามาตู่เพราะอาตมาไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ไปศรรึกษาวิชาธรรมะจากสำนักใดๆมีไปเหมือนกันไปดูลาดเตา่าไปสังเกตการาบางทีไปอยู่หลายเป็นเดือนก็มีบางที่บางแห่งไปอยู่เป็นเดือนแต่ไม่มีที่ไหนถึงปีหรอกนะไปดู5วัน7วันสิบวัน 15วันเดือนนึงอะไรก็แล้วแต่ไปดูเขาไปศึกษาไปฝึกฝนแต่ก็ทําตัวเหมือนกับเราจะไปศึกษานะเราก็ไม่ได้ไปบอกเขานะว่าเราจะไปดูที่เฉยเราก็เหมือนกับเราจะไปเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปเป็นลูกศิษย์จกนกระทั่งเขาจะมายึดว่าเนี่ยลูกศิษย์ฉันเคยสอนนี่ได้ดีไ ด, ได้ดีมาว่าฉนันไม่มีไม่มีใครกล้านอกจากจะไม่กล้าแล้วเขาจะมาตู่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ไม่ได้เพราะวิชาที่อาตมามีเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยไม่ว่าสำนักไหนในประเทศไทยหรือในโลก ไม่เหมือนฟังให้ดีนะตรงนี้วิชาที่อาตมาสอนให้เราแต่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เกิดปจนกระกตั้งถึงแก่จนตายสอนคนวิชาที่อาตมาสอนเนี่ยเป็นโล ก, กุตระไม่เหมือนใครนอกจากลูกพระพุทธเจ้าที่เป็นโล ก, กุตระเหมือนกันเท่านั้นแต่ในปางนี้หรือในยุยคนี้สมัยนี้มันไม่มีน่มี ไม่มีมีคนพูดภาษาคําว่าโลกุตระบ้างเท่านั้นแต่เนื้อหามันไม่เป็นโลกุตระคือมันไม่ได้ยังเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เขาเรียนในอภิธรรมเขาเรียนมีตัวหนังสือเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานก็มีภาษาแต่จริงๆเขาไม่รู้จักจิตเขาไม่รู้จักเจตสิกที่จริงแล้วเขาก็วิเคราะห์วิจัยจิตเจตสิกออกจนกระทั่งอย่างนี้กิเลสอย่างนี้เจตสิกที่จะมีอาการกุศลอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ลดละ กุศลอกุศลอย่างรู้รเห็นเห็นอย่างมียานอ่านเห็นจริงอ๋อมันจางคลายนะมันตาจางคลายมันดับแล้วแล้วมันก็ไม่เกิดอีกหรือบางยังมีผิวพลายของอนุสัยหรือของอาสวะขึ้นมาอีกเล็กๆน้อยๆยังไม่สนิทนักอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นอย่างแท้จริงนะมันจะไม่ชัดเจนตั้แต่เบื้องต้นทากลางบันปลายมันจะไม่ละเอียดละอ่อนนะ อาตมาพยายามสอนพยายามพูดพยายามบรรยายและเขียนเป็นหนังสือมันก็ยังไม่ละเอียดพอที่อาตมาว่าใหม่อาตมาว่ามันเขียนไม่ออกเขียนเป็นภาษาออกมามันไม่มีภาษาที่จะอธิบายในรายละเอียดที่มันละเอียดมากละเอียดมากแล้วก็ซับซ้อนมากเนี่ยไม่มีภาษาพูดพยายามปั่นภาษาพยายามที่จะหาอะไรมาประกอบในการที่จะสื่อให้พวกเราได้รู้นี่มากขึ้นมากขึ้นยาก คนอาตมาจะเขียนหนังสือดีช้าละนานแก้แล้วแก้อีกอแต่ก็เต็มใจทาและพยายามตั้งใจทำด้วยนอกจากเต็มใจแล้วต้องตั้งใจทำด้วยตั้งใจทาจริงๆรนะิตั้งใจจนกระทั่งไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะปั้นตัวหนังสือแล้วจะปั้นคำสอนอะไรพวกนี้ออกมาไม่ไม่เบื่อหน่ายนะมันมีฉันทะมันมีความเห็นว่ามันเป็นความจริง ที่เราจะต้องทำทำเพื่อที่จะให้แก่มนุษยชาติไดนะ้ใครไม่เอาก็ช่างเขาใครไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ว่า ก, กันใครเห็นคุณค่าก็เอานะวันนี้มหกวันนี้นี่ได้รับสิ่งพิเศษขึ้นอีกอันหนึ่งได้รับแจกหนังสือเป็นหนังสือให้อัตมาเซ็นให้ด้วยนะให้เอาไปดูมีลายเซ็นบอกกำกับแลวนะนะอัตมาเซ็นในนั้นบอกว่า จงอ่านศึกษาให้ดีๆแล้วก็เซียนชื่อทุกคนที่ได้รับไปเนี่ยจากมือเลยนะเอาไปแล้วต้องไปศึกษาดีๆคือหนังสือความรักสิบมิติใครไม่ศึกษาก็แล้วไปก็ไม่บังคับลงนะไม่บังคับหรอกนะ แต่เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าจงศึกษาจงอ่านศึกษาไม่ได้บังคับนะจงอ่านศึกษาให้ดีๆเพรา ะ, ะนั้นใครเชื่อฟังใครคิดเห็นดีเห็นตามคุณก็ปฏิบัติตามอาตมาจะไปตามบังคับคุณได้ยังไงอ่ะใช่ไหให้ศึกษาเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีความรักถึง10มิติและเป็นความรักที่ประเสริฐก็มีแน่นอนแต่ความรักที่เลวไหล นอกจากเลวหลายเรื่องพาให้เลวร้ายไปอีกก็มีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นความรักสิิมิติก็ต้องไปศึกษาดูถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรักอย่างมิติที่หนึ่งกันอยู่นี่มันมันห้ามไม่ได้หรอกในเรื่องของสัตว์โลกสัตว์โลกเพราะฉะนั้นเชื่อแห่งสัตว์โลกอย่างนั้นก็มีอยู่แต่เราก็ต้องศึกษาและฝึกฝนให้มันพ้นสภาพที่มันควรจะพ้นได้ขึ้นมาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยมันเหนือธรรมชาติ มันธรรมะที่สุดยอดวิเศษนะเมื่อบุรุษพ้นแล้วมันช่วจะเห็นความจริงว่ามันเยี่ยมยอดจริงๆเยี่ยมยอดจริงๆเพราะในขณะที่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นจริงเนี่ยเราก็จะไม่รู้จริงเลยยังไม่เข้าใจจริงว่ามันยอดยังไงโม้อยู่ได้ว่ามันยอดยอดยอดออมันจะเป็นอย่างนั้นะมันจะโม่ยุ่ว่านอยอดอะไรหลายคนพอเข้าใจได้บ้างเห็นทุกเห็นภาระ เห็นวิบากเห็นอะไรอะไรที่มันโอ้มันไม่เขา้าท่าเพราะงั้นถ้าใครหลุดพ้นได้แล้วชนะแล้วเนี่ยชนะอย่างความรักมิติที่หนึ่งเนี่ยชนะได้จริงแล้วเนี่ยถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ว่าโอ้มันเบามันว่างมันโลกมันสิ้นภาระมันไม่ได้เป็นสิ่งดีสิ่งงามไปได้เป็นสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นก็ได้จริงๆเลยไอ้ที่เป็นไ ป, น ป, นปนมีอยู่น่นก็เพราะเขามีกิเลสจริ ง, รงๆเขามีความหลง หลงมันหลงจะต้องมันติดตดิยึดยึดต้องเป็นต้องมีอยู่บ้างหรือต้องเป็นต้องมีเอาเป็นเอาตายคนที่เขาหลงติดมากๆเขาต้องมีอย่างเอาเป็นเอาตายหรืออะไรก็แหลกอะไรก็แลกเอาชีวิตเขาแลกยังเอาเลยอย่าว่าจะเอาทรัพย์สินเขาของแลกเลยความรักสิมิติความรักมิติที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขายึดถือมากก็ เ, เป็นไปจริงเพราะนอกจากนั้นจะมาขายายผลขายายความหมายของความรักต่างๆขึ้นมาให้รู้แล้วคนเราก็จะ สุดท้ายก็จะเข้าใจความรักและใช้ความรักเป็นและสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นก็จะหมดไปอย่างไปรักนะไม่ติที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องรักเลยก็ไม่เป็นซึ่งมันไม่ง่ายนะจะจะล้างแต่ก็ล้างได้เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าทำมาก่อนอัตมาทำตามล้างได้รักอย่างเพศเป็นเรื่องของเก้าความรักที่ไปหาทางเพศ ไปหาทางที่จะสืบพันมีการมีการรักไปชนิดที่จะสืบพันไม่ใช่รักเป็นบุคคลที่จะเป็นการเอืออาทร อ, อะไรกันเฉยๆไม่แต่การเอือรอาทรก็ยังมีความเห็นแก่ตัวที่มากน้อยเป็นลำดับอีกอย่างที่อาตมาได้แยกเอาไว้ในคารักสีมิตินั้นเพราะความรักที่มีเอือรอาทรต่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่เฉพาะแหล่งแคบอยู่มันก็ค่าน้อยถ้ามัน กระจายความรักที่เผื่อแผ่เอื้ออาทรความรักจริงๆไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดีๆอแต่มาย้ำอยู่ๆว่าความรักจริงๆไม่ใช่ความเห็นแก่แต่ความความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักมันเป็นความเลวนะแต่ทีนี้ไอ้ความเห็นแก่ตัวเหล่านี้มันยากที่จะรู้ไปศึกษาดีๆแล้วกระทั่งเรารู้ความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นแล้วก็คลายออกคลายออกเป็นความรักที่จะแผ่กระจาย แคร์กระจายไปจากสองคนไปเป็นสามคนห้าคนจากพัวเมียไปเป็นลูกไปเป็นไปเป็นญาติไปเป็นมิตรสหายเนี่ยมันเป็นมิติไปเรื่อยๆกว้างกันไปจากมิตรสหายกว้างกันไปเป็นสากลกว้างข้นไปเป็นสังคมเป็นชาติประเทศเป็นหมู่กลุ่มทั้งชาติทั้งประเทศจนเป็นเป็นสังคมแล้วก็เป็นสากลทั่วไปหมดไม่กาหนดชาติไม่กำหนด ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นกว้างไปเรื่อยนะจนกระทั่งอัตมาอธิบายแบ่งเอาไว้เป็นถึงลักษณะของวิญญาณลักษณะของจิตวิญ ญ, ญาณซึ่งผู้ที่มีปัญญาเป็นปราศก็พยายามที่จะเน้นเข้าไปหาวิญ ญ, ญ, ญาณพวกนี้ในมิติที่เจ็ดจนกรทั่งเป็นความรักที่เผื่อแผ่กว้างขวางไม่คิดเห็นนอกจากสากลกว้างขึ้นกว่านั้นแล้วเนี่ย จะไม่แบ่งเชื้อชาติพันธุ์ไม่แบ่งแม้แต่จิตวิญญาณคนชั่วคนดีคนอะไรก็คุณมีน้ําใจเ อ, อื้อเฟื้อได้หมดมิติที่เจ็ดไปส่วนมิติที่แปดมาตัดรอบเอาไว้ว่ามิติที่8คือความรู้ในหนึ่งมิติถึงเจ็ดมิตินั่นนะแล้วก็ลดละขึ้นมาเรื่อยๆพ้นมิติที่เจดอีกเมื่อไหร่เป็นมิติที่8ดเป็นพุทธแท้เพราะฉะนั้นพุทธแท้จะต้องศึกษาให้รู้เจ็ดมิติแล้วไม่ไปติดยึดในเจดมิตินั้น หรือติดยึดอยู่ก็ลดรงลดลงลลงเป็นโซดาสกิทาอนาคาไม่ไเรื่อ ย, อยไล่มาจกนกระทั่งมิติที่8มิติที่9ก็หมดติดทุกอย่างส่วนมิติที่10บนั่นเป็นความรักที่สุดยอดเลยเป็นมิติที่เป็นความรักมนุษย์และก็เสียสละเท่านั้นถ้าเผื่อว่าไม่เสียสละก็ปรินิพานไปเดินไปเลยูพธิมเบียนมิติที่9 พบพ้พิธีที่เก้าแล้วถ้ายังจะไม่ปรินิพานก็เพื่อโลกทั้งโลกเพื่อมนุษยชาติทั้งโลกตลอดกระนานไปจนกว่าจะปรินิพา น, นาเป็นมิติของพระพุทธเจ้าพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์ตบภูมิเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อัตมาได้มาจากธรรมะของพุทธธรรมะของาศาสนาพุทธ ได้มาจากการเรียนรู้อันนี้แล้วก็มาบันทึกไว้บรรยายไว้เขียนไว้ให้พวกเราได้เอาไปศึกษ า, าเพราะงั้นได้ไปในวันนี้แล้วเล่มนี้เนี่ยเอาไปเป็นสมบัติติดตัวไปจนตายอย่าไปวางอย่าไปทิ้งอ๋วางนะวางได้อย่าไปทิ้งอย่าไปเอาไปทําหายทําอะไรแต่ายเสียแล้วศึกษาจริงๆเอาไปแล้วมันจะเอาไปแก็บไว้เฉยๆแม้ใส่ กุญแจลั่นดานแล้วก็เก็บไว้ไม่เข้าท่าเราเอาไปศึกษาอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนให้ได้ผลได้ประโยชน์นะส่วนผู้ที่จบมาคราวนี้แล้วจบไปคราวนี้แล้วจะได้นังสือพิเศษแล้วก็ยังมีคนนะยังไม่บอกว่าอะไรนะในวันมีติงวัน สิทธิ์เก่าสิทธิ์คืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำที่บรรดาษนั่นนะอพอที่จบม .6 แล้วไปวก็จะได้ส่วนผู้ไม่จบม .6 นี่ไม่ได้นะไม่ได้อ น, นี้แต่ผู้จบม .6 จะได้แต่รู้สึกว่าจะมีคนเขาหาอะไรไว้ให้เหมือนกันผู้ที่ไม่จบม .6 ให้มีอะไรให้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่สัญลักษณ์แท้อันนี้ นะสั ญ, ญลักษณ์แท้อันนี้จะได้เฉพาะผู้ที่จบม .6 จากสมาสิขาไปเท่านั้นนะหรือผู้ที่จบก่อนกสณนอของเราก็ถือว่าใช่ถือว่าเลือดเนื้อเดิมนะได้ด้วยนะจบม .6 ในของ อ, อยู่ในขายเครือของกโศกนี่แหละตั้งแต่รุ่นรแรกนะก็จะได้ด้วยนะนอกนั้นก็จบม .6 จริงๆก็ได้ทุกคนนะผู้ที่จบไปแล้วก็ได้หมด นามาเอามาเอาแล้วก็ต้องสลักชื่อได้แล้วเอามาสลักชื่อตอนนี้ยังไม่ได้สลักให้เพราะว่ายังไม่รู้ใครต่อใครบ้างได้ไปแล้วก็ต้องเอามาสลักชื่อแล้วก็จะเป็นของเฉพาะตัวไปตลอดไปทำหายเขาไวล่ะ นั่นเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นยึดถังเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มนุษย์คิดเป็นนะมนุษย์นี่คิดได้แล้วก็กทาขึ้นมาให้มันเกิดผลทางการเป็นอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดจากพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นอยู่ไปในทางจิตวิญญาณมันจะช่วยในทางจิตวิญญาณนะ ประกอบทางจิตวิญญาณแม้จะลงทุนบางทีนี่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นคุณค่าที่ดีมากๆลงทุนมากๆก็ต้องลงพิธีกรรมบางพิธีกรรมอย่างรัฐพิธีใหญ่ๆรัฐพิธีเฉลิมพระชนพรรษางี้ปีปีหนึงง่งรัฐต้องลงทุนโอ้เป็นพันล้านนะเป็นพันล้านต้องทําอะไรอะไรต่างๆนานาอย่างที่เห็นเนี่ยอลังการต้องมีอะไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณและก็เราก็ต้องเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์และเป็นเป็นได้ มันเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ได้นะไม่ได้มันจะไม่เกิดสิ่งที่มันจะควรจะได้ทางจิตวิญญาณอันสูงส่งก็จะไม่ได้เนื่องเป็นพิธีกรรมของทางศาสนาลหลายพิธีกรรมพิธีกรรมทางสังคมธรรมดาจัดงานอย่างนั้นงานยังนี้งานบายสีสู่ขวันงานรนาดน้ำดําหัวเดี๋ยวนี้รนดน้ำดําหัวก็เพี้ยนแล้วเป็นการ เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นงานงานอะไรเขาเรียกอะไรงานสงกรานเป็นงานสาดน้ําซึ่งเป็นความผิดพลาดมหันจําไว้ทุกคนอย่าไปเล่นงานสงกรานเพราะการเล่นงานสงกรานไปเล่นกันทุกวันนี้เนี่ยเ ป, เ, ปเป็นเพณีที่เลวจะเห็นได้มันเลวลงเลวลงจนกระทั่งปรากฏแล้วเนี่ยที่ถนนเข้าศารลที่ว่าจะปิดกันแล้ว น, น, น, น, นั่นแหละศาสตร์น้ําสงการนั่นแหละคือความเร็วที่ชัดเจนที่สุดแล้วเชียงใหม่ก็ตามไปสงกลางกันที่เชียงใหม่ก็ตามสงกลางที่นอนเข้าสารในกรุงเทพนี่แหละจะเห็นได้เลยพฤติกรรมสงกลาง น, นั่นแนหะเห็นไหม ม, มันเร็วแล้วเร็วชัดๆัดเร็วแหลกแหลกรานเลยมันเกิดอะไร อ, อะไรขึ้นมันไม่เข้าเรื่องเขาหรากมันเป็นการเล่นนอกจากเล่นแล้วก็ลามลามแล้วก็เลอะลามก อธรรมะไม่ขยายความเพรคุณไปรู้กันอยู่แล้วาลามลามกกเมันเป็นการเล่นเล่นแล้วก็ลามลามแล้วก็เละเละแล้วก็ลามมกเพราะงั้นมันก็เลวไหลจริงๆแล้วนีนะ่มันผิดพลาดตั้งแต่หน้าร้อนสงกรานีคือหน้าร้อน13เมษายนหน้าร้อนเดือนห มันมีความร้อนน้ำหายากฟังให้ดีนะน้ำหายากเพราะฉะนั้นใครได้มีน้ำอาบใครได้รดน้ำได้อาบน้ำก็ชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าน้ำนี่มีค่าเป็นของมีค่าวิธีการของผู้ฉลาดก็เลยคิดวิธีเอา้าวไปดำหัวให้แก่ผู้ที่ควรจะได้ เอาน้ำไปรวมกันให้แกรสให้แกผู้ที่ควรเชิดชูยกย่องเรียกว่าดาหัวรถน้ำดำหัวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นคนที่มีวัญวุฒิเป็นคนที่จะต้องเชิดชูบูชากตัญญูกตเวทีผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนที่ควรจะรสน้ำเราไม่มีน้ำก็เลยให้หาน้ำไปคนละจออคนละขัน เป็นการแชร์เป็นการแบ่งกันไม่ใช่มันเปลืองเอาน้ำมาสาด ท, ทิ้งเทกันทิ้ ง, งอโอโหสูบมาทิ้งนั่นมันผิดเรื่องเลยน้ำหายากฟังออกใช่ไหมหน้าร้อนหน้าแรงน้ำหมดน้ำหายากเพราะฉะนั้นผู้ที่ควรจะได้น้ามากๆนั้นต้องเป็นคนที่สมควรเป็นคนที่มีค่าพอสมควรที่จะได้รับการรดน้าให้ความเย็นเพราะฉะนั้นจึงไม่เปลืองใคร แต่ละคนแช่เหมือนก็ใส่บาตรนี่ใส่คนละชล้คนละชรแล้วก็ได้รวมมาเป็นมากๆถ้าคนละจอบคนละคันมาใส่อ่างใส่กระมังใส่ตุ่มเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาราดมารดให้แก่ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ควรจะได้รับการรดน้ําผู้นั้นเย็นสบายก็เป็นทั้งวิธีการที่เชิดชูทางจิตวิญญาณเป็นการสามคัคคีเป็นการ แสดงถึงความสมาคาระวะเป็นสามะคี ร, รมเป็นความอบอุ่นเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเคร่อเป็นศิลปะที่สวยมากเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามมากแต่สงกรานที่สงสีถนนข้าวสารเป็นศิลปะวัฒนธรรมไหมเป็นความหายานธรรมที่เลวเละเทอะลามกนั่นก็เป็นสนุกสนานนิดหน่อยใี้นายทุนก็มาหาเรื่องแทรกแซง สร้งไอ้หนุ่ยในนี้มาขายมาปนมาเปยมายุแยหาเรื่องให้จิบหายวายป่วงเข้าไปอีกทําอะไรแต่ไหมาปนอะรอาอตมาไม่ขยายความมากเพราะฉะนั้นถ้าใครหยุดเรื่องสงกรานได้หยุดเลยเพราะว่ามันไม่เป็นแล้วจะทําก็ทําแต่เฉพาะที่อ่าอยากจะไปรดน้ําดําหัวให้เป็นพิธีการเข้าใจดีๆแล้วก็ค่อยๆทำกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งพวกเราก็ทำกันอยู่บ้างอย่างนั้นเราก็ได้อย่าไปเอาน้าไปสาดกันเล่น แล้วมันก็ตายดิมันมันหน้าแรงน้างกว่ายิ่งน้อยนี่มันเป็นความผิดพลาดประเด็นที่เห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมและเดี๋ยวนี้ไหมเลยนะเล่นติดเครื่องสูบเลยนะสูบมันโอ้จะฉิบหายไปถึงไหนอ่ยคือมันไม่เข้าใจอะไรเลยเข้าใจไหมนี่กัตามาก็อธิบายให้ฟังเป็นความรู้รอบตัวให้เข้าใจให้รู้ว่าต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรในโลก นะเพราะนั้นตั้งแต่ยึดถังนึกวิธีกรรมเก่าๆแก่ๆเขาเริ่มต้นมีมาแต่ดึกดำบร น, นึกกันไม่ออกสืบสาวกันไม่ได้นี่อาตมาหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังนี่เพราะอาตมามันมีดึกดำบันของอาตมาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาไม่อยากจะพูดอะไรที่มัน เ, เลอะเทอะออกไปนะเพราะงั้นก็ต้องมาศึกษาสัจธรรม มาทำความเข้าใจในโลกวิทูต่างๆในเรื่องของคนในเรื่องของสังคมในเรื่องของมนุษยชาติในเรื่องของกรรมกริยาในเรื่องของจารีตประเพณีในเรื่องของวัฒนธรรมหรือในเรื่องของงานการอาชีพอะไรก็แล้วแต่เล้วมาศึกษาเราจะรู้อ๋อเป็นคนควรจะทำอะไรเป็นคนควรจะมีประโยชน์คุณค่าอย่างไรมีมีสิ่งที่ดีงามอย่างไรทั้งเวลาแรงงานของเรา เราจะเอาไปใช้กับสิ่งที่จะเป็นกรรมกิริยามันควรจะไปเป็นกรรมกิริยาอย่างไรนะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาสังคมทุกวันนี้มันย่าแย่จริงๆเลยมันไปไม่รอดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มาศึกษาที่นี่แล้วเนี่ยอัตมาก็ว่าได้อะไรไปสักส่วนหนึ่งเพราะงั้นถ้าเผืว่าใคร มีปัญญาดีไม่คนอ่อนแอไม่เป็นคนงองแงเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่มีความอดทนได้ปัญญาก็มีแล้วเพราะอาตมามั่นใจอยู่ว่าพวกเราเนี่ถึงแม้ว่าใครจะไม่อยู่เนี่ยใครจะไม่มาอยู่ที่นี่ต่อหรือทําอะไรต่อที่นี่จะออกไปข้างนอกไปอะไรอะไรแล้วแต่เนี่ยอาตมาเชื่ออยู่ว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันดีการอยู่ที่นี่แล้วต่ออะไรที่นี่มันดีแต่เพราะตัวเองอ่อนแอ ตัวเองยังไปยอมแพ้ต่อกิเลสต่อสิ่งที่แม่อยากจะไปยังงุอนยางนี้อะไรก็ตามใจเถอะมีแนวคิดแนวฟุ้งซ่านอะไรออกไปอีกเยอะแยะก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนผู้นั้นผู้นั้นนะเพราะงั้นก็แต่ตัวใครตัวใครก็ตัดสินนะพยายามที่จะกําหนดพยายามที่จะกระทำเองบางคนก็อาจจะมีวิบากบ้างตัวเองอยากอยู่พ่อแม่ไม่ให้อยู่มีเหมือนกันนะ ก, วกัวิบากใครวิบากมัน ก็เรามาเกิดกันอย่างนี้อชาตินี้มาเกิดทําไมได้พ่อแม่ครูนี่มาพ่อแม่เรามีความเห็นอย่างนี้ก็เรื่องของเราอีกไม่มีใครไปบังคับนะมันก็เป็นก็มีมันก็เป็นก็มีของมันเพราะฉะนั้นผู้ใดมีวิบากดีมีพ่อแม่ที่ดีเห็นดีเห็นด้วยสนับสนุนเลยโอ้ถ้าจะอยู่นี่ต่อแล้วโอ้ยยกมือถ่วมหัวเลยลูกอยู่ไปเลยคนนั้นก็มีวิบากบุญมีวิบากดีส่วนใครมีวิบากไม่ดีนักก็พยายามนะทำความเข้าใจหรือว่าพยายามอย่า ทิ้งธรรมะส่วนใครที่พ่อแม่ก็จะให้อยู่แต่ตัวเองจะไม่อยู่ะจะไปแล้วกูนี่แหละจะไปเองพ่อแม่ผลักดันให้อยู่ในซ้ำไม่อยู่จงไปที่ชอบที่ชอบแล้วแต่คนนั้นอาตมาก็จะต้องอ ะ, อะไรลนะ่ะสวดส่งก็สวดส่งให้เท่านั้นเองอเพราะงั้นก็ สิ่งนี้ยังจะเกิดอยู่ยังจะเป็นอยู่ก็ขอให้พวกเราได้สังวรแล้วก็ได้สานึกและก็พยายามที่จะไตรตรองตรวจสอบตัดสินให้ดีๆนะแล้วก็พยายามกระทำอย่างมีวิจรารณญาณเสมออย่าทำอะไรตามอารมณ์อย่าทำอะไรตามอํานาจกิเลสอย่าทำอะไรตามใจที่ตัวเองเป็นาธาตกกิเลส ท, ที่จริงใจไม่ใช่ใจแท้ใจที่มีกิเลสเป็นตัวบงการ มีกิเลสเป็นมุชาอัตมาเทศแล้วมีกิเลสเป็นอินทรีย์มีกิเลสมีเป็นอธิปไตยมีกิเลสเป็นอำนาจใหญ่เป็นประธานอยู่ในใจของเรานั่นเรียกว่าเราตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสมันเป็นประธานใจเราที่จริงใจเราเป็นทาสดีใจกลางๆแล้วก็เป็นไปกุศลส่วนสําคัญเพราะใจบริสุทธิ์เนี่ยเอามาใช้งานเป็นกุศลได้อย่างวิเศษแต่ใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยกิเลสเข้าไปครอบงากิเลสเข้าไปใช้ ใจเราไปเป็นอํานาจใหญ่อยู่ในใจเรากิเลกก็เลยกลายเป็นนายแล้วกิเลสก็บงการเราอยู่นะเพราะงั้นต้องมาเอาชนะกิเลสเหล่านี้ให้ได้จริงๆนะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ทําพิธีที่จะแจกกรตแจกอะไรที่ควรจะแจกไปสักก่อนนะเสร็จแล้วถ้ามีเวลาเหลือถ้าแจกเสร็จก่อนก็อาจจะได้พูดต่อได้แต่ถ้าแจกไม่ทันแจกไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่หมดไม่มีก็แจกให้จนหมดแหละจะเลยเวลาไปบ้างก็จําเป็นถ้าเผื่อว่ามันจะไม่ทันแต่คิดว่าน่าจะทันนะอ้าก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาก็ขอเชิญแต่และโรงเรียนที่จัดลําดับอะไรอะไรไปแล้วก็ขอเชิญพิธีกรด้วยผู้ที่จะมาดําเนินการอาเติมอ่าพวกเราเนี่ยนะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ย มันล้ำหน้าที่อื่นๆเข้าไปแม้แต่ทางการศึกษานี่ยังไม่ได้ฟังเทปที่ฟังฝนพูดที่สันติอโศกอัตมาก็เอาไม่ใช่เทปหรอกเป็นมีดเอ็มดีเป็นเอมดีเอามาเปิดให้ฟังกันแต่ยังไม่ได้ฟังกันไปทีเดียวยังไม่ได้จบฟังกันไปเล็กๆน้อยๆมันก็น่าจะได้ฟังให้จบจะได้รู้ว่าสังคมเขามองเราอย่างไร หรือแม้แต่ในหน่วยงานในองค์กรสถาบันหลักก็ตามในประเทศเขามีความนึกคิดต่อพวกเราอย่างไรทุกวันนี้เนี่ยพวกเราได้พิสูจน์ตัวเองได้กระทําอะไรอะไรขึ้นมาเป็นสภาพที่มันเกิดนะจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าการศึกษาบุญนิยมของเราก็เข้าใจอย่างติดตามเาเราเข้าใจแล้วก็ภาคเพียรที่จะกระทํา จนกระทั้งเกิดเป็นสภาพอย่างนี้ขึ้นมาเขาก็คานแย้งไม่ได้จำนนที่จะต้องเห็นตามเห็นด้วยแต่เขาก็ว่ามันลำบากมันยากใช่มันยา ก, ม, ยากมันลำบากจริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันดีมันเป็นสิ่งที่ดีและตมาอยากจะแถมให้ว่ามันดีจริงๆดียิ่งด้วย ดีดีจริงแลวดียิ่งด้วยนะแล้วมันก้าวหน้าล้าเข้าไปนะล้าไปจนกระทั่งมีครูกับพวกเรานี่ไม่ต้องเอาใครฟังฝนก็ยังบอกว่าที่ไปพูดกับไปฟังเขาพูดกันมาแล้วนี่อัตมาพาธรรมมาแล้วทั้งนั้นเขาเพิ่งดำริแต่ก่อนนี่เขาทำไมไม่รู้อัตมาพารรมาแล้วตั้งเป็น1ิบปีกว่า10ปีทำไมอัตมาก้าวหน้าล้าเข้าไปตั้งสิบกว่าปีเาเพิ่งจง งงเงยงงเงยขึ้นมาว่าอ๋ออย่างนี้เหรอต้องทำอย่างนี้เหรอทั้งประเทศเขาเพิ่งจะตื่นเขาเพิ่งจะรู้สึกอ๋อต้องทำอย่างนี้เหรอแล้วเราทำมาแล้วตั้งสิบกว่าปีถ้าจะว่ากันจริงจริงก็ถึง20สิกว่าปีแล้วแต่ว่ามันมันค่อ ย, อย่อยก่อรูปก่อร่างขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงระดับเราที่เป็นนักเรียนและแม้แต่เป็นนักเรียนพวกเรานี่างานทาการหรือว่าเป็น คนที่จะต้องมาศึกษาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ยืนยันเออจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเด็กเรียนออกมาแล้วจะต้องได้อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทั้งมารยาททั้งความสามารถสมรรถนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาอะไรหรอกแม้แต่ที่นี่เนี่ยนะเรามันดูง่ายเด็กนักเรียนที่นี่ถ่ายโทรทัศน์ถ่ายะระดมาตั้งไหนไหนเขาเพิ่งจะทำกัน อ, อย่างที่ฟังฝน เ, งเล่าไปโรงเรียนข้างนอกเขาก็ดีเข า, าก็หัดแล้วทํางี้พอครูบาอาจารย์เมาเนอะต้องอย่างนี้ที่นักเรียนอโศกเราทําตั้งเป็นนานแล้วเขายังไม่รู้จักเห็นพอเด็กเขาทําขึ้นมากว่าเออต้องเด็กต้องเป็นอย่างนี้อา้าวแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเด็กอโศกทำ ม, มาตั้งนานแล้วทําไ ม, ไมว่าเป็นอย่างงี้ยเพิ่งจะมาชี้เอาว่า ต, ต้องอย่างนี้แหละต้องได้อย่างนี้เด็กเราทํามาตั้งทั้งอย่าว่าแต่ทำถ่ายโทรทัศน์ถ่ายวิดีโอทำโน่นทํานี่ แม้แต่ทำอะไรอะไรต่างๆน า, นานาพวกนี้พวกเราเป็นงานกันไม่ต้องอะไรหรอกมีไมโรงเรียนไหนเขาเนี่ยพ อ, โ, อโหมีแต่งเพลงมีเพลงมาร้องกันเองเด็กก็ทำได้อัดเองก็ได้ร้องเองก็ได้มีห้องให้อัดอีกตั้งหากทำมากันอย่างก็โอโหระดับอาชีพเขาทำออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นที่อื่นเขามีเหรอ ที่นี่ทำได้ไม่ใช่ถูกๆเนะีไม่ใช่เงินถูกๆที่จะไปทำอย่างนี้ได้แพง น, นะแต่เราทําได้โดยไม่รู้สึกว่ามันได้เป็นอะไรดูมันมันไม่มีอะไรแต่มันกว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นบารมีหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมามันไม่ไ ม, ไม่ไม่สามัญโรงเรียนใหญ่ๆโตๆ โ, โรงเรียนเขาขนาดเขาก็ยังไม่มีเท่านี้หรอกนิเทศศาสตร์เปนยากเลยนฮะนิเทศศาสตร์เปนยากเลยนิเทศศาสตร์จะไม่มีห้องอัดเสียงเหมือนอย่างโรงเรียนสมาสิขาเลย นี่มว่าสีมามาอัดไม่ว่าจะเป็นรีสระมาอัดไม่ว่าจะอะไรมาอัดวันนั้นก็มาอัดอะไรสีสาะมาอัดโปรงลางกันจังกันยลุ่งอะทาไปได้เรื่อยๆของเราสบายๆอ่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าล้าหน้าเ ป, นเป็นเป็นเรื่องที่มันที่อื่นเขายังไม่ทันเราเคลี่งเขายังไม่ได้ไปหรอกที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดให้ฟังนี่ก็เพื่อจะได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นหัว มีอะไรดูสิในแต่งเพลงปีนี้ก็มีเพลงใหม่ๆ ห, หลายเพลงมีเพลงของพวกเราแต่นักเรียนเองก็แต่งตัวเด็กๆเล็กๆอาตมานี่ว่าอาตมาเก่งแล้วนะอาตมาอุตรีเป็นเด็กบรรณอกไม่ได้มีรุ่งเรืองการดนตรีการอะไรมันไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนอย่างสมัยนี้แต่ก่อนนี้คนแต่งเพลงได้เนี่ยเยี่ยมนะคนแต่งเพลงให้คนอื่นร้องได้นี่ต้องเป็นคนพิเศษคนมีฝีมือต้องมีความสามารถมากถึงจะเป็นนักแต่งเพลง ให้ใครร้องได้ไม่ต้องเอานานหรอกสาปี40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วมาเนี่ยคนที่แต่งเพลงได้ยังถือว่ายอดอัตมาก็แอแต่งเพลงตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเพลงแรกแต่งเพลงแรกสมมติจะอายุ14หรือ15บาอัตมาอายุสิหรือสิแต่งเพลงแรกแปกแต่งแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือเขาอยู่เพลงนั้น แล้วเราต่อจากนั้นก็แต่งเพลงอื่ น, น, น, นมาจนกระทั่งมาเรื่อยๆแต่งมาจนถึงปัจนี้อาตมาแต่งอายุ14อาตมาก็ว่าอาตมาเก่งแล้วพวกเราก็อายุ1 4บ5แต่งขึ้นมาร้องกันได้อัดมาอาตมาก็บอกเออนี่มันขบวนการลูกโพธิสัตว์จริงๆเนอะมันมีอะไรต่อะรตามมาแต่พูดไปในทางอาจินไตเนี่ยมันก็เป็นงันก่อนเออมันก็เป็นของมันได้ก็พอเป็นพอไปนะ ดูมันเพลงของใครของนาดหรือเพลงนึงอะที่ร้องกันอยู่เปิดเปิดฮะใช่ไหมของนาดใช่ไหมเพลงที่ร้องเพลงอะไรสัญญาสัมพันธ์อะไรเนะี่ยใช่ไหมที่ร้องเมื่อคืนนี้ก็ร้องแล้วก็ที่อัดเสียงกันไม่ร้องเมื่อกี้ก็เปิดกันเน่ยมีอมอมว่าแต่งใครแต่งอีกบ้างอ่ะใครบ้างยศมุทิศพวกเราแต่งเพลงอะนักเรียนใครแอนออม นาดนาดใครอีกเนอะมอหนึ่งด้วยเหรอโอ้โหแล้วมันใช้ได้ไหมไอ้แต่งที่ว่านะมันเป็นเพลงไหมกาให้ใช้ได้อ่า <laughs> ก็มันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันไม่น่าเชื่อและพวกเราทําล้ํากันไปใหญ่เลยดี๋ยวดูซิเด็กพวกเราทําแล้วก็มีองค์ประกอบที่พอจะเป็นได้แต่งมาแลกกับมากรามาช่วยดูแลกันเสร็จแล้วมีอัดทรงอัดเสียงมีน้ำรองนดนตรีนักดนตรีก็มีมาช่วยเล่นช่วยอะไรโอ้โหและใครไม่รู้ให้โอมานั่งอยู่นี่อีกคนหนึ่งเอามีอะไรก็เอาไปเลยในโอมล่อคนเดียวเดินเล่นมาทุกเครื่อง ลงมาเป็นเพลงออกมาก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือมีใครอยู่บ้างอะหลายคนปฏิพลด้วยันเป็นหลักอยู่นี่อะไรแล้วแต่ก็ทําออกมาเป็นชิ้นเป็นอันออกมาก็เหมือนกับข้างนอกเขาบอกว่า <c oughs> โอ้โหระดับนี้นี่มันคนข้างนอกเข า, มาไม่ได้ทำมั น, มนง่ายๆนะแต่เราเป็นได้แล้วเราก็มีแม้แต่บุคคลอย่างเงี้ยมันลูกโพธศสัตว์มาเกิดหรือยังไงมันมันเพนได้ก่อนยังไงตัวน้อยๆเล็กๆนะ อาตมาว่าอาตมาแต่งเพลงตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าคนก็ประหลาดเหมือนกันว่าแต่งได้ยังไงยิ่งยุคกันก่อนมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นักร้องนักเต้นอะไรแอคอาร์ตเอาเพลงอะไรมาลู้ถูไทยเป็นเพลงกันไปหมดเต้นดังด้วยขายได้เป็นเงินล้านล้านด้วยเดือนอันนี้เขาก็ทํากันไปมันก็เรียกว่ามันเฟอร์มันลักษณะเฟอมันก็ว่ากันไปแต่ก่อนก่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ถึงแม้ว่าจะยุคนี้เราทําได้ไงที่อื่นข้างนอกเขาก็ไม่ได้้เป็นนอย่างี พวกเรานี้ทำอะไรแต่ออไรเหมือนก็โอ้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรต่างๆนาน า, า, าไม่ใช่งานในด้านนี้เท่านั้นงานด้านอื่นๆผลิตสินค้าผลิตผลผลิตนั่นนี่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันฝีมือพวกเราเด็กพวกเราไปเป็นคนทำจริงๆโดยมือ by hand ด้วยความสามารถพวกเราจริงๆเลย แล้วก็ทําเป็นชิ้นเป็นอันออกมาสู่ตลาดมีแพ็กกิ้งสวยงามสู่ในตลาดยืนไปเราไปเดินดูเห็นเออนี่เราทํากับมือนี่มันวางขายอยู่ตลาดเนี่ยเราทํามาแท้แทนี่อ่ากับมือของเราเลยใช่ไหมอ่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นเล่นยาะยะแย่ทำผักชีโรยหน้าอ่าทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็ดมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเรานี่พยายามภาคเพียนกันเพื่อที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณค่า เป็นคนที่มีสมรรถนะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีคุณงามความดีอันนี้เน้นอธิมาขอเน้นจริงๆว่าเกิดมาเป็นคนและคุณต่อให้เก่งคุณจะเก่งยังไงมีความสามารถได้โอ้โห و, คนไปเต้นยิมนาสติกไปเต้นไปโหนอยู่บนท้องฟ้าที่เขาเห็นไหมเขาต่างประเทศหรือพวกอะไรไปคนไทยเล่นยิมนาสติกมากกว่ากะสู้เขาไม่ได้หราต่างประเทศเขาเก่งกว่ามันทำโอ้โหมันน่าจะพลาดตาย เป็นเรานี่อีก3มชาติยังทําไม่ได้เลยอย่างงั้นน่ะไปฝึกอีกสมชาติก็ไม่ได้5ชาติก็ไม่ได้ก็มันทำโอ้โหมันเก่งแต่มันได้อะไรมันก็ไปทำเอาเงินทําเอาชื่อเสียงหลงดังแล้วก็ได้เงินได้หน้าแล้วเป็นคุณค่าอะไรไมันแค่ดูดูเองเก่งเองเก่งเหมือนไปเตะฟุตบอลเหมือนไปตีแบดมินตันตีเทนนิสเหมือนอไรอยงั้นน่ะเองเก่งเองเก่งแล้วมันได้อะไรน่ะตีมันได้อะไร ไอ้ฝีมืออย่างนั้นในความสามารถอย่างนั้นเอามาทําอะไรกินเอามาทําอะไรใช้ได้อะไรนอกจากไปแรกเป็นเงินมาอีกทีนึงแล้วก็เงินเอามากินมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตแล้วไอ้สิ่งที่ผลงานต่อเนื่องจากกรรมกิริยาที่คุณทํานะมันอะไรต่อเนื่องไปจากนั้นมันได้อะไรนึกออกไหมตีธนิตเก่งโอ้หัวลูกสักราระเก่งต่อจากแรงงานที่คุณหัวสักราชนะี่ยมันได้อะไรต่อมา นอกจากไปแรกเงินเท่านั้นแล้วก็มอมเมาคนให้หลงติดยึดรถอร่อยว่า ม, มันมันมันอร่อยมันสนุกไม่เห็นมีอะไรตามมาเลยมอมเมากันติดยึดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลหลงไหลกันทั่วโลกเนี่ยทุกอย่างในสื่อสารมวลชนโทรทัศน์จะต้องมีเวลาเฉพาะให้รายงานรายงานการกีฬาประเทศนั้นประเทศนี้อันนั้นแข่งชนะไอคนนี้เด่นขึ้นมาแล้วไอนี่เป็นความสามารถท่อนั้นท่อนี้ทําไมไม่มีเวลารายงานในข่าวเลย ขณะนี้มีพระบรรลุอรหันต์เท่านี้แล้วมีผู้ปฏิบัติธรรมโสดาบันสกิทาคามีเท่านี้เท่านี้เท่า น, นี้เวลารายงานตอนนี้มีกิจกรรมโอ้โหนี่พยายามไปทำกิจกรรมของทางด้านธรรมะปฏิบัติศาสนาเวลาอย่างนี้ไม่มีให้เลยในโทรทัศน์วิทยุทั้งหลายคิดดูซิว่ามันเสื่อมกันขนาดไหนเรามาจัดทำวิทยุชุมชน ตั้งแต่เช้ามาโดยเฉพาะที่สันติอโศกเปิดเช้าขึ้นมาในเทศแล้วเทไปจนถึง6โมงตี4ี่ถึง6โมงเสร็จแล้วก็มีรายการต่อมาก็มีเทศแซมไปเรื่อยไปถึงตกเย็นก่อนจะจบท่านตภาภวกภ า, าเทศประเภทเประยุกเหมือนเทศนั่นแหละประยุกหรือรายการคารวาเราก็เดี๋ยวก็มีอันนี้อนีเดี๋ยวก็มีธรรมแทรกแทก เหมือนกับสถานีโทรสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดธรรมะแพร่กระจายธรรมะออกไปนี่มันก็จะเป็นทั้งหลายทั้งแล่วิทยุต่างๆรายการธรรมะของเขาก็มีแต่ว่าต้องไปซื้อเวลาเพื่อที่จะให้พระเขาเอาเงินค่าเช่าเวลาของพระไปเช่าสถานีวิทยุเพื่อที่จะว่าสอนธรรมะที่แท้ก็เรียรายหาเงิน เนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นสัจจะความจริงอะไรหรอกมีจริงอยู่บ้างก็แฝงแฝงอยู่นิดนดหน่อยหมีแซมแซมปนปนอยู่บ้างนิดนดหน่อยหเนื้อหาสาระจริงที่จะตั้งใจที่จะเป็นจริงเป็นจังน้อยมากเพราะสังคมมันขาดแคลนมากเลยขาดแคลนสิ่งที่จริงๆเป็นอุปสงค์ของสังคมอุปสงค์คือดิมานคือความต้องการของสังคมแต่เขาไม่รู้ว่าสังคมต้องการ เขาไม่รู้จักอุปสงค์อันนี้ของสังคมสังคมต้องการคุณธรรมของคนขาดแคลนมากจําเป็นที่สุดแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือดิมานที่สาคัญหรืออุปสงค์สาคัญของมนุษยชาติของสังคมมนุษย์ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยทุกแห่งในทั่วโลกต้องการโดยเฉพาะต้องการธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมะที่จะเอือ้อต่อมนุษยชาติธรรมะที่จะเป็นพหูชนะหิตายะ ผู้ชนะสุขายะโลกาโุกรัรมปายะธรรมะที่จะไปอนุเคราะห์มนุษยชาติในโลกไม่ใช่ธรรมะที่จะเป็นดูดเอาเปรียบเอารัดมนุษยชาติในโลกไม่ใช่หรือธรรมะที่หลอกๆธรรมะที่ดีพอสมควรแต่ไม่ถึงกับสุดยอดแล้วนี่เป็นการให้อย่างเสียสละจริงๆให้อย่างที่เราถึงจิตวิญ ญ, ญาณเลยเป็นจิตวิญญาณที่ สำรอกกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ออกไปจริงๆเลยทั้งผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติทำให้แก่ตนเองมีการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงเป็นโล ก, กุตระธรรมะอย่างนั้นยิ่งหายากก็มีอยู่ที่พวกเรานี่พยายามกระทำกันเทตมาหยิบอะไรอะไรขึ้นมาพูดเสริมพูดแถมให้เห็นพวกนี้เนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าเราอยู่ที่นี่ หรือว่าเราได้มีประสบการณ์เข้ามาในช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างนี้มันได้อะไรหรือมันคืออะไระมันมีคุณค่าหรือไม่แค่ไหนเราก็พยายามลองเอาไปพิจารณาดูาอาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นความหวังพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาในจุดนี้แล้วอาตมาก็เห็นว่าเราจะเป็นเรี่ยวแรง เป็นประชากรที่จะเป็นหลักเป็นตัวอย่างที่จะก่อเกิดสังคมต่อต่อไปที่จะสารทอที่จะถักทอที่จะพยายามเป็นตัวที่จะแพร่เชื้อแพร่เชื้อพันใหม่แพร่เชื้อพันที่เป็นพันที่มีคุณธรรมมีความเห็นแก่ตัวน้อยหรือไม่เห็นแก่ตัวเลยเป็นการเกื้อกูล เป็นมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นภัยต่อโลกทั้งโลกทางโลกีเขาทางทุนนิยมเขานมันเป็นภัยต่อโลกเขายังพัฒนาตัวเองเขารวยรวยลาบรวยยศมีอํานาจมากสันเสริญโลกีสุขอะไรมากๆมันยิ่งแย่เพราะฉะนั้นตัวอย่างของประเทศตัวอย่างในโลกเป็นประเทศในโลกขณะนี้เนี่ยมนุษย์ตัวอย่างขณะนี้คือคุณยอชบุตรยอชดับบิลยูบุตรเป็นประธานาธิบดี ขณะนี้เป็นใหญ่อยู่ในโลกเนี่ยประเทศของคุณท่องไทยคุณทรอยที่อยู่ข้างหลังตอนนี้เนี่ยในบุชเนี่ยทดลองอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดที่เขาคิดได้และเขาก็ทดลองอย่างที่เรียกว่ามนุษย์ในประเทศนี้ทุกคนหยุดข้าจะสร้างอาวุธที่ร้ายแรงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของข้าแต่เองสร้างเองหยุดไปห้ามอิรกักไปคนที่อิรกัก นี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอัตอมาพูดอย่างนี้แล้วคุณทรอยอ่ยากโกรธนะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แล้วโกรธไม่ได้นะอัตอมาพูดความจริงสู่ฟังอัตอมา ไ, ไม่ได้ไปโกรธบุชหรอกแต่บุชเขาทำกรรมกิริยาอย่างนี้อ่าซ่งมันคืออะไร พยานมนุษย์ที่เจริญเขาถือว่าขนาดนี้เนี่ยคุณบุชเนี่ยเป็นนำเบอร์หนึ่งของประเทศนำเบอร์หนึ่งของโลกด้วยแต่เป็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วก็มีแนวคิดอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงสังคม เพราะฉะนนถ้าเผื่อว่าผู้นําเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นก็จะต้องเอาตามอย่างตามถือว่าคนที่ยอดเลิศประสบผลสําเร็จในชีวิตต้องเป็นคนมีคุณลักษณะอย่างนี้คนก็จะไปเป็นคนอย่างนี้หมดแต่แตมาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมาเป็นคนอย่างนี้มาเป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์ไม่มีความรุนแรงมีแต่ความเมตตาเกื้อกูลมีแต่การเสียสละมีแต่การเอื้ออาทรไม่ไปกดไปขม่มไม่ไม่ไประรานมีแต่ มีอะไรก็ค่อยบรรทัดบรรยังกันอย่าไปนั่งข่มนั่งกดนั่งเอาเปรียบเอารัดแล้วก็เหนือชั้นเบ่งกล้ามอะไรกันอยู่โดยที่เรียกว่าคนอื่นไม่กล้าที่จะหือกระฆ่าไ อ, อย่างงั้นมันใหญ่นักเลงใครจะไม่กล้าหือกระข้าใหญ่นักเลงอาตมาว่าฮใหญ่นักเลงไม่ดีใหญ่อย่างอีแร้งดีกว่าอาตมาจะพาพวกเรามาเป็นพวกใหญ่อย่างอีแร้งใหญ่อย่างสงบสงบไม่ไปตระรานใครเป็นผู้เก็บกวาดความสกรปรกให้แก่โลก ใครเขาจะรังเกียจก็ช่างเขาเถอะแต่เราทําคุณงามความดีอันนี้ไปก็แล้วกัน น, นี่อาตมาก็มีเวลาน้อยๆก็พูดสิ่งที่ควรจะพูดสู่กันฟังบ้างในเวลาสําคัญอย่างนีน้ที่จริงพูดก็พูดเล็กๆน้อยๆความจริงมันมากมายกว่านี้อาตมาเองอาตมาทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพูดมากไปอยู่แล้วพูดปากมากปากยาวไปเหมือนกันเนี่ยสักวันก็คงเอาเอะไรมาฟันปากมั้งหรา แต่อาตมาก็ว่าอาตมาก็ต้องพูดบ้างเพื่อที่จะเตือนให้สัญญาณแก่สังคมหรือให้สัญญาณแก่ผู้คนบ้างจะเป็นคนที่ต้องระมัดระวังตัวหรือเป็นคนที่เขากระทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ก็ตามเขาก็จะได้สัญญาณไ ด, ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้บ้างเพื่อไปปรับปรับมันไม่ควรทําก็จะได้ลดลงบ้างหรือควรจะต้องมารู้เท่าทัน จะต้องป้องกันด้วยว่าจะต้องจะทำอย่างไรถึงจะให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาในสังคมมนุษย์โลกแล้วก็ควรจะทำนะอาตมาก็ขอย้ําสุดท้ายว่าตลอดชีวิตที่อาตมายังไม่ตายพวกเรานี่ยังอายุน้อยอยู่อาจจะยังรู้จักโลกยังได้มีประสบการณ์ยังไม่มากแต่ก็ดูไปตรวจสอบไปพยายามที่จะศึกษาเอา ว่ตลอดชีวิตอาตมาจะอยู่นี่อาตมาจะพยายามสร้าง ส, างสิ่งที่อาตมามีแนวคิดของอาตมาว่าคนเราจะต้องมาเป็นอย่างนี้มาทำอย่างนี้มาสร้างคุณค่าแบบนี้แบบนี้แบบไหนก็ติดตามไปดีดีดดแล้วก็พยายามมาภาคเพียนเป็นให้ได้นะมากระทาเสื้ออาตมาก็บอกแล้วว่ามันมีความหวังอย่างในรุ่นพวกเราเพราะพวกเรานี่ยเป็นรุ่นที่กาลังจะกอรูปร่าง คนในรุ่นพวกอาตมาหรือรุ่นที่เก่าๆมาเนี่ยสี่สิบาสิบหกสไปแล้วเนี่ยมันก็มันแรงมันจะไม่มากเท่าไรแล้วแม้ผู้ใดที่อายุในรุ่น60 50 40ในขณะนี้ก็มีแล้วอยู่แล้วเป็นแล้วก็มีน้ําหนักเท่านี้ในชาวอโศกแล้วก็เป็นตัวจับจะเห็นได้ขณะนี้เนี่ยไล่มาสิใครบ้างอ่าเป็นคารวาส อ๋อสมณะไม่ต้องเป็นนับเป็นคารวาสไล่ลงมาเดมีใครบ้างที่ดำเนินการอยู่ในเครือข่ายของพวกเราก็สัมพันธ์กันแล้วก็ทำงานกันอยู่เนี่ยมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนรุ่นนี้มันก็เป็นแล้วรุ่นอื่นๆจะตามมาทีหลังนี่ก็ต้องไล่มากว่าจะมาเป็นอย่างนี้กว่าจะมารู้อย่างนี้แกจะมาเป็นได้อย่างนี้รุ่นทีนี้ได้แล้วได้ก็ได้คุณภาพขนาดนี้แล้วก็จะนาพาไปไปสู่อายุยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น ก็ร่างใกล้เมนขึ้นไปเรื่อยๆก็พวกเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ค่อยๆสืบสารแล้วก็สืบทอดแล้วก็รับช่วงต่อต่อๆไปเราอยากจะให้คุ ณ, คณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าเป็นแนวที่ว่ามันดีๆอย่างนี้เนี่ยมันสูญหายไปจากสังคมไหมอยากจะให้สูญหายไปไหมถ้ามันจะไม่สูญหายไปแล้วจะทํำยังไง ตอบได้ไหมนี่ก่อนจะจบม .6 จะไม่สูญหายไปแล้วจะทํำยังไงจะให้มันไม่สูญหายไปคนแ ก, แก่คนที่อายุมากก็บอกแล้วก็ร่างใกล้เมนไปเรื่อยๆแล้วแล้วเขาก็ทําอยู่แล้วก็มีอยู่แค่นี้พวกเราที่จะเดินเข้ามาแล้วก็จะนําพา ก, กันเข้ามาอีกในรุ่นรุ่นพวกเราก็จะดึงต่อมาอีกอย่างรุ่นพวกอาตมาในคนอายุเราขนาดนี้นี่นะจะเข้ามาอีกในยาก เข้ามากันคนก็ขาก็เป๊บางคนก็เนื้อก็เหี่ยวแล้วหนังก็เหี่ยวแล้วเข้ามาเ น, นจะมาเอาอะไรยังมาทำอะไรได้มาถึงก็มาให้เรารักษาดูแลนี่หาเงินเข้ามาเรื่อยบางคนนี่นอนแมบอยู่บนเตียงก็ยังดูกันอยู่เนี่ยหามาตอนนี้มีเยอะไล่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไปได้อะไรอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่น50 40 50 60ขึ้นไปไม่ใช่ความหวัง มไม่ใช่ความหวังความหวังอยู่ที่พวกเราอาตมาไม่ได้พูดเอาใจไม่ใช่พูดเล่นพูดสัจจะให้ฟังนี่เป็นความจริงที่มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจริงให้น้ําหนักเลยแล้วเป็นความจริงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแ้าว่าว่าพวกคุณเนี่ยไม่เป็นตัวจักตัวจริงที่จะสืบสารอันนี้ต่ออันนี้ก็ล้มเหลวอันนี้ก็หมดไป เพราะนั้นพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเราต้องการเมื่อ เ, เริ่มต้นแล้วก็ควรจะสารต่อควรจะสืบทอดต่อแล้เพราะเราก็ควรจะต้องได้อยู่ต่อไปแล้วก็อ้าเอาละอัตมาก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจดีๆนะวันนี้เป็นวันสําคัญก็คนที่ได้รับอะไรสําคัญสำคัญไปก็เอาไประลึกเอาไปสังวรเอาไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองทุกคนทุกคนนะสำหรับเวลานี้มันเลยเวลาไปพอสักคนได้จะได้จ ะ, จะเวลาทานอาหารเอาเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกันก็ขอจบในการพูดของอัตมาเพียงเท่านี้อ๋อเอวัง ส, สิ่งที่เราต้องทำต้องทำให้พอภูมใจและสิ่งที่เราต้องทำอย่าทำให้เาอเสียใจอยากบอกพวกเราทุกคนให้ทำให้พอภูมใจอยากบอกพวกเราทุกคน